พวกเราปฏิบัติทำกันหลายวันนะเนาะพวเาปฏิบัติทำหลายวันก็เริ่มราอที่ข้าทางนะ ร่างกายมันก็เริ่มข้อที่ข้อเท่ยการตื่นการ น, นอนความปวดความเมื่อยนะมันก็เริ่มปรับตัวได้นะนะจิตใจเราก็เริ่มปรับตัวได้อันนี้แหละก็คือพอเราให้โอกาสกับตัวเราเองนะ รางกายจิตใจเขาก็เค่อยๆปรับตัวนะมันก็ปรับเข้ามาสู่อะไรก็ปรับเข้ามาหาสู่ความเป็นปกตินั่นแหละหรือจิตใจแต่ก่อนที่มันเคยคิดปรุงซ่าด น, นะจิตใจที่มันเคยหลงนะ่ะไปเรื่อยนะมันก็เริ่มลงสั้นลงมันก็เริ่ม ฟุ้งซ่านน้อยลงอย่เี้ยใสจิตใจเริ่มกลับมาสู่สภาวะที่มันเป็นปกติเพราะปกตินี่แหละคือสภาวะเดิมแท้จริงๆของจิตใจของทุกๆคนนะที่จริงจะว่าทุกศัพท์ชีวิตก็ได้นะสภาพเดิมแท้ของจิตคือสภาวะที่มันเป็นปกติหรือสภาวะที่มันไม่มีความทุกข์ นี่คือสภาพจริงแท้ของของจิตใจนะแต่เพราะว่าอุปกิเลสนะกิเลสทั้งหลายเขาจรเข้ามามันก็เลยทําให้จิตใจเสียงฟองเป็นปกติไปการที่เรามีสติก็คือเนี่ยแหละทําให้เรารู้เท่าทันรู้เท่าทันเวลาอุปกิเลสนะกิเลสทั้งหลายเขาจรเข้ามาเขาก็ามาในจิตในใจเนะี่ย มันจะทำให้เราได้เห็นสติจะทำให้เราได้เห็นเห็นกิเลสเห็นความคิดเห็นความหลงไอ้คนนี้แหละคือการเห็นธรรมะแต่ว่าเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นก็คือเราเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นได้ได้บ่อยได้เร็วขึ้นอันนี้คือสติเราเร็วขึ้น นี่คือถ้าเราวางใจให้ถูกนะ เ, นเวลามันหลงไปบ้างเวลามันคิดไปบ้างเวลามันมีกิเลสมาบ้างเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยเพราะว่ากิเลสเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะ เ, น <c oughs> เขาก็ทําหน้าที่ในการที่จะมาคอยหลอกคอยรอ่ค อ, รอคอยชวนให้เราหลงเราเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้หรอกเราจะไป โกรเขาก็ไม่ได้หรอกเนยะมันเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราก็เพียงแค่ให้รู้เท่าทันเขาเนี่ยแหละนะถ้าเรารู้เท่าทันเขาแล้วเขาก็หลอกเราไม่ได้นังนั้นการจะริ่สติจริงๆเนะี่ยการที่เรามีสติเบื้องต้นในการที่เรารู้นะอาศัยร่างกายเคลื่อนไหวเนะี่ยมันเป็นพื้นฐานะ มันเป็นพื้นฐานแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะต้องเข้าใจว่ามันเป็นพื้นฐานมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่พื้นฐานก็เป็นสิ่งที่สําคัญเราอาศัยน่ยร่างกายอาศัยรูปแบบเน่ยเดินจงกลมยกมือร้างจังหวะหรือจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่แล้วก็คือเป็นการฝึกให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบันก็คือจิตกรรมมาสภ า, าวะที่เป็นปกตินั่นแหละมันก็ถูกนะในตัวมันเองก็ถูกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งความคิดมันเกิดขึ้นความรู้สึกอาการอะนเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะมันก็ไม่ใช่ผิดนะ มันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นเข้ามาเราก็มีสติคอยดูคอยเห็นมันอีกทีหนึ่งกันนะอันนี้มันก็จะเป็นการเจริญสติในหมวดของเวทนาจิตตาธรรมาขึ้นไปอีกนะคือมันไม่ใช่ว่าอะไรสูงกว่ากันหรอกนะไม่ใช่ว่ากายทำที่สุดอย่างอื่นสูงกว่าก็ไม่ใช่นะคือในสภาวะทั้งหมดของธรรมชาตินะมันมีอยู่ในสี่ อาการตรงนี้แหละนะเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจตัวไหนมั้มันเข้าใจเป็นหมดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นสลับให้เราเห็นนะเพราะธรรมชาติมันเหมือนมันเหมือนอากาศนี่นนะเดี๋ยวก็มีรอ้อนเดี๋ยวก็มีฝนนยะเดี๋ยวก็มีหนาวนะในแต่ละวันแต่ละช่วงของฤดูกาลมันก็มีความเปลี่ยนแปลงให้เราได้เห็น สภาวะธรรมก็เหมือนกันสภาวะธรรมก็คืออาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างร่างกายเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเลยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงกรรมฐานที่พระเจ้าท่านสอนเราเนี่ยคือกรรมฐานที่สามารถทําได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคือถ้าเราไม่ดับอ่ะเราทําได้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยเนี่ยทําได้ตลอดเวลานตลอดชีวิตกายเนี่ยก็มีอยู่นตลอดเวลาน มีการเคลื่อนไหวบ้างมีการหยุดนิ่งบ้างมีการสัมผัสบ้างเนะี่ยหรือแม่แต่อานาปานสติก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ้างนะหรือบางคนดูท้องคลองยุบเนะี่ยก็ท้องก็เดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบเนะียมันตลอดเวลาเลยนะคือกรรมฐานที่พระเจ้าพุทธสอเนี่ยทําได้ตลอดเวลาอเวทนาก็เหมือนกันนะเวทนาก็มีเดี๋ยวก็สุข เดียวก็ทุกเดี๋ยวก็ เ, ยเฉยต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยแน่นอนนะในหนึ่งขณะนะความสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้รือเฉยเกิดขึ้นมาก็รู้นะอันนี้หรือจิตนะเวลาเราดูจิตนะจิตบางครั้งเขาคิดก็รู้เขาไม่คิดก็รู้เนะขาโกรธก็รู้ เขาไม่โกรธก็รู้เขาอยากก็รู้เขาไม่อยากก็รู้ทรมาลมนี้ก็ยิ่งมีเยอะหลายอย่างนะแต่เอาง่ายๆก็คือกุศลอกุศลหรือว่าเป็นกำกลางอภยากิจนะเป็นกกๆมันมีตลอดเวลาเลยนะมันสามารถดูได้นะคนจะดูถามไหนก็ได้ แต่ฐานที่ดูง่ายเนะ่ก็คือเนี่ยแหละกายที่มันหยาบๆกายที่เราเห็นหยาบที่เราสัมผัสได้นะี่มันดูง่ายเนยะบางคนนี่เรารู้สึกตัวหรือเปล่านะก็ลองจับขาไปเอกดนะูถ้ารู้สึกอยู่เนะี่ยก็คือรู้สึกตัวแล้วเนี่ยสมมติจับขารู้สึกนะตกลงไปรู้สึกนะรู้สึกตัวไม่นคะรับเราหายใจดูเนะ่ หายใจตัวมันก็รู้สึกได้แล้วใช่ไหมอืมแต่ก่อนถ้าเราไปคิดว่าว่าเรารู้สึกตัวหรือเปล่าเราก็จะไปอยู่ในความคิดนะแต่ถ้าเราทําเลยก็ลองทำเลยสักอย่างตกขาตัวเองอะรู้สึกหายใจรู้สึกนะ่ะเห็นเห็นความมีอยู่ของร่างกายเนะี่ยจิตใจก็รู้สึกได้นะอันนี้ก็คือเรารู้สึกตัวแล้ว เนี่ยก็รู้สึกแบบเนี้ไปส่วนอาการของความคิดหรือว่านามธรรมต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปดูเขาตรงๆนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเราเราค่อยดูมันนีเราอย่าไปคอยดูนี่ยต้องให้เขาโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยดูนีถ้าเราไปคอยดูมันจะเป็นการไปเพ่งไปจ้องนีแต่มันก็ดูได้นะมันสลับกันไปนั่นแหละ คืออะไรเขาเด่นนะ่ะอะไรเขาเด่นสติก็จะไปเห็นตัวนั้นนบางทีเขาไม่เด่นเราก็เลยไม่ค่อยเห็นนหรือบางทีเราไม่เคยฝึกในการดูแบบนั้นมาก่อนเราก็เลยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่นแต่ถ้าเราค่อยๆฝึกไปเราก็จะเห็นมากขึ้นอย่างเบื้องต้นเราฝึกรู้สึกที่ร่างกายแบบนี้เนาะร่างกาย ใหม่ๆมันก็รู้สึกแบบอ ย, ยาบๆเนี่ยแหละะในท่าที่เราทํำนรือในอีเรียมวดที่มันอ ย, ยาบๆต่อไปนะส ต, ติพอมันรู้ตรงนี้ได้บ่อยขึ้นจิตมันตั้งมั่นมากขึ้นเนี่ยจิตตั้งมั่นเรียกว่ามีสมาธิแ ล, ล้วรู้รู้ตัวเองได้ไบ่อยๆนะเรียกว่ามีสติมีสมัมปชัญญะความรู้สึกตัวต่อไปอีเรียบทที่มันละเอียด ในร่างกายนะเราก็จะรู้บางครั้งมันจะพิษตาเราก็รู้สึกบางครั้งพยักหน้าเราก็รู้สึกบางครั้งลมมันพัดผ่านมาก็รู้สึกนะบางครั้งความหายการหายใจเนะี่ยมันก็รู้สึกความรู้สึกแบบเนี้ยมันสลับไปในขณะที่เราเดินจงกรมก็ดีหรือขณะที่เรายกมือสร้างธรรมะก็ดีนะ มันรู้สึกได้นะไม่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปตามดูที่นั่นที่นี่นะเราก็เดินโยกมนันแหละเป็นหลักไว้นะแล้วอีเดียบทย่อยๆพวกนี้นนะความรู้สึกตัวย่อยๆพวกนี้ยมันเข้ามาเพิ่มนะเข้ามาเติมนะมาเติมมาเติมความรู้สึกตัวที่ให้มันถี่ขึ้นเรื่อยๆให้มันบ่อยขึ้นนะไม่ใช่พยายามที่จะไปรู้นะ แต่มันจะค่อยๆถี่ขึ้นเองนะจากกายหยาบๆนะต่อไปกายที่มัละเอียดนะมันก็จะรู้ได้ชัดขึ้นนะหรือเวทนานะความสุขความทุกข์นะมันก็รู้หรือแม้แต่เวทนาทางกายนะเราก็รู้นะความรู้สึกล่อนหนาวปวดเมื่อยอะไรต่างๆนะเราก็รู้สึกได้ แต่ผิดเนี่ยว่าอย่าไปรู้แบบแบบไปเรียกว่าไปไปจับมันร้อนก็แค่รู้ว่าร้อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรกับมันหนาวก็แค่รู้ว่าหนาวไม่ต้องไปอะไรกับมันคือไม่ต้องไปเอาอรายละเอียดมากคล้ายๆว่าอืมมันหนาวแบบไหนอะไรนะ ม, มันร้อนแบบไหนมันนุ่มแบบไหน มันแข็งแบบไหนนะบางทีไอ้ถ้าเราจะไปลงรายละเอียดมันมันจะกลายเป็นการใช้สมมุติมาคิดเนยะอืมมันนุ่มนุ่มแบบปุยนุ่นนุ่มแบบเบาะนุ่มแบบนั่นนี่นะแบบทรายมันมันเอาใส่ความคิดเอาไปเอาไปจับนะแค่รู้สึกก็พอนะที่จริงแค่พูดว่านุ่มเนี่ยมันก็ยังมากเกินไปแล้วนะอืที่จริงมันแค่ความรู้สึกเฉย ไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากแต่พูดให้เห็นสักหน่อยว่าเออมันก็รู้ของมันเองนะถ้ามันถ้ามันเด่นถ้ามันชัดนะถ้าสติมันมากขึ้นมันก็จะเขาไปเห็นอาการของกายที่มันมันมีความละเอียดมากขึ้นแต่บางคนอาจจะยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้ผิดนะไม่เป็นไรบางคนก็ไปถนัดเนะี่ยเห็นเห็นความคิด มันโผล่แทกเข้ามานะเอีมันโผล่แทรกเข้ามาแค่คิดว่าบางทีแค่เวลาเราทำอะไรก็มันคิดคิดเรียกนะเป็นภาษาในใจนะอืมพลิกมือยกมือเดินลมอะไรนะสมมตินนะมันคิดพูดนะมันคิดเอออันนี้ก็คือความคิดนะอืม บางทีก็ย้ำเราจะทำอะไรนะเนี่ยกาลังจะทําอะไรอย่างนะี้เยมันก็คือความคิดนะให้รู้ทันนะให้รู้ทันคือเราก็คงข้ามมันไม่ได้แต่ให้เรารู้ทันว่าอ๋ออันนี้แหละเรียกว่าความคิดเนะี่ยก็อย่าไปคิดต่ออย่าไปปรุงต่อนะก็แค่รู้ว่ามันคิดก็พอบางทีหรือบางทีมันก็อะไรก็ไม่รู้นะมันฝุดขึ้นมาแทรกนะในช่องว่างขณะที่หยุดเนะยกมือนิดนึงเนี่ย มันก็ผุดอะไรก็ไม่รู้นะเราก็จะเห็นอ่าทีกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่ตัวที่มันผุดที่มันโผล่เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะเออมันก็เห็นชัดเลยว่าเออกายก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งนะมันมันเข้ามาแทรกแต่พอเรารู้เฉยๆนะมันเหมือนมันไปต่อไม่เป็นมันก็หายไปของมันเองนะคล้ายเปรียบเทียนเหมือนคล้ายเหมือนฟองสบู่นะ ตอเด็กๆเราเคยเป่าเป่ากองสบู่ลยไรนะเป่าปุบนะพอสักพักเนี่ก็พอสูกอะไรก็ไม่รู้นะมันก็แตกนะแตกลงไปหายไปเหมนนความคิดอารมณ์ก็เหมือนแบบนั้นนะเวลามันหายเนี่ยไม่ใช่แบบแตกแล้วมันยังเห็นซาบแบบวัตถุนะยังไหมถ้าสมมติว่าแก้วแตกก็ยังเห็นเศษแก้ว แต่เวลาอารมณ์หรือความคิดมันหายเนี่ยมันมันไม่เหลือเลยในจิตใจมันไม่เหลือเลยนอกจากว่าอาการที่มันเป็นพวกเพ่งพวกจ้องพวกนั้นนะเวลาเราเห็นว่ามันเพ่งมันจ้องเราอาจจะคลายคลายคลายอาการทางใจออกแต่อาการทางกายมนะันอาจจะยังเขาเรียกว่า มีไซเอฟเฟกต์มันมีผลกระทบต่อเนื่องอยู่เพราะว่าเวลาเราทำแล้วเพ่งมันจ้องเนี่ยมันไม่ใช่แต่ใจมันเพ่งมันจ้องเลยแต่กายก็เพ่งก็จ้องตามไปด้วยมันก็เลยยังมียังมีผลข้างเคียงทางกายต่ออยู่บางคนเออพอทำแล้วปวดหัวแน่นหน้าอกอึดอัดนะแล้วเราก็เริ่มเห็นโอ้ใจมันเครียดเกินไปมันเพ่งเกินไป พอเราผ่อนคลายที่จิตใจนะแต่ร่างกายมันยังมีผลกระทบอยู่มันก็ต้องมาใส่เวลาสักหน่อยมาใส่เวลาสักพักหนึ่งพอเราทําผ่อนคลายขึ้นไปเดินมองไกลๆอะไรมากขึ้นเนะี่ยเดี๋ยวร่างกายเขาก็ผ่อนคลายตามไปนะอันนี้ต้องต้องยอมรับเขาสักหน่อยนะแต่ถ้ามันเป็นความหลงเนี่ยมันพอรู้ทันครบเนะี่ยมันทายไปเลยนะ อาการทางกายก็เป็นปกตินอาการทางใจก็กลับมาเป็นปกติอันนี้คือมันก็จะเห็นนะ่ะสิ่งที่มันละเอียดขึ้นนะเห็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้รู้ทันว่าอ๋อมันมีสภาวะแบบนี้เลยนะเอเวลาปฏิบัติธรรมนี่มันจะเห็นสิ่งต่างๆนะไม่ใช่ไปเห็นแสงเห็นสีเห็นนรกสวรรค์อะไรนะ คือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่แหละนะเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงทุกอาการนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงแม้แต่เวทนาที่เรารู้สึกว่ามันนานนะเวลามันปวดมันเมื่อยนะที่จริงมันก็ปวดขณะหนึ่งแล้วก็ถี่ไปเรื่อยๆคนละ้ายๆเหมือนแสงไฟนะมันไม่ใช่แสงเดียวตลอดเวลาแต่มันกระพิกระพิกระพิดถี่ๆจน จนเรารู้สึกว่ามันเป็นความต่อเนื่องเราลองสังเกตกันนะบางบางความรู้สึกที่มันปวดเนี่ยมันจะมันมันเป็นตุกเป็นตุกเป็นตุกไ ป, ก ป, กปทีๆนะเออถ้าเราเห็นหรือบงทีแม้แต่มันอยู่แต่มันก็อยู่แบบมันไม่ได้ว่าเท่าเดิมตลอดเวลาหรอกนมันก็มีมากมีน้อยไปของมันนะ หรืแม้แต่ในเวทนาถ้าเราดูเวทนามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายนะมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเนะีเราก็เห็นแยกได้อ้มันก็เป็นแค่อาการอย่างหนึง่งเนะถ้าสติเราเห็นเราก็จะให้ค่ามันน้อยลงเนยะเราไม่ให้ค่ามันก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะแต่ก็บรรเทารักษาเข้าไปตามอาการนะแต่ใจนั่นแหละไม่เป็นทุกข์รักษาใจ ให้เป็นปกติไว้นี่ยคำว่ารักษาใจนี่ไม่ใช่ให้เราให้เราแบบประเภทว่าไม่ให้มันมีอารมณ์ไม่ให้มันมีอะไรขึ้นมาเลยนะนะคำว่ารักษาใจคือเมื่อมันผิดปกติไปเรารู้ทันมันจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยคือรักษาแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไปคอยรักษาว่าไม่ให้อะไรเข้ามาเลย อั น, นั้นมันจะเป็นความเพ่งจ้องไปแต่ถ้าเราปึกสติไปสติจะคอยรักษาเองนะไม่ใช่เรารักษานะสติจะเป็นตัวรักษาเนี่ยนีอย่างเช่นเรามีสติรู้กายเนะี่ยสติที่เรารู้กายเนี่ยมันรักษาไม่ให้ความคิดมันแทรกเข้ามาเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะรู้กายเพื่อให้ความเพื่อไม่ให้ความคิดมันแทรกเนี่ย ไม่ให้ความหลงมาแทรกก็ไม่ใช่แล้วก็คือฝึกสติไปรู้สึกตัวไปสร้างไปนะี่มันจะแทรกแล้วก็มีสติคอยรู้มันก็หายไปลนะนี่ทำแบบนี้นะทำแบบสบายๆทำแบบเล่นๆทำแบบเรื่อยๆนะี่นอกจากว่าช่วงไหนฟุ้งซ่านมากก็ตั้งใจขึ้นมาสักหน่อยนตั้งใจนีตั้งใจก็นะจคือเอาอใจกลับมาตั้งนะไว้ที่กายนะี่ เอาใจกลับมาตั้งไว้ที่กายคือความพุ้งตันคือใจมันเผลอไปกับความคิดไปกับอารมณ์แล้วก็ใจกลับมาตั้งไว้ที่กายใหม่นี่ยคือตั้งใจตั้งใจแต่ถ้าเครียดไปอนนี้แต่ว่าเราไปบังคับมันบังคับให้มันอยู่เกินอยู่ที่เดียวตลอดนะเหมือนเราบังคับขังขังหมาขังแมวไว้ตรงนนีะ้มันก็จะดิ้นนะมัจะดิ้น มันบังคับนะเกินไปนะพอมันไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบนะบางทีมันจะฟุ้งบางคนถ้าทำแบบบังคับมากไปเนะี่ยพอไปพอไปเจออารมณ์กระทบหรือพอพอออกไปนอกรูปแบบนะมันฟุ้งมากเลยมันบางคนนะคล้ายๆเก็บกดนะเก็บกดแต่หลายๆคนเวลาอดทหารนะโอ้ความคิดเรื่องอยากกินนะมันเยอะเลย พอออกไปแล้วก็หาอะไรกินเลยอืหรือบางครั้งถ้าเราสังเกตได้ตอนทําไมตอนจะนอนนะมันฟุ้งซ่านเยอะแสดงว่า บ, บ, บางทีกลางวันเนี่ยเราอาจจะเก็บกดเกินไปนะแบบตั้งใจทําเกินไปพอจะนอนเนี่ยโอ้ความคิดมันเกิดขึ้นมาเยอะเลยอืมหรือตอนไปกินข้าวตอนกินน้ำเนี่ยมันฟุ้งยาวเลยนะถ้าแบบนั้นเก็บกดนะออา แต่ถ้ามันก็แค่ฟุ้งเท่าเท่ากับที่เราเดินจงกลมปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะหืออาจจะมากกว่านิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นยาบทที่ควอนคลายอันนั้นก็เป็นธรรมชาติไม่เป็นไรแล้วก็รู้ทันมันนะแล้วก็รู้ทันมันแต่ถ้าบางทีเราไปบังคับมากนะตอนไหนที่เราดื่มบังคับมันนั่นแหละมันจะโผล่ออกมาเยอะนะมันจะหลงเยอะนะเพราะามันเก็บกดนะ เราก็ต้องดูเท่าทันนะอันนียคือภาวนาไปก็คือมันจะค่อยๆเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือการที่เราค่อยๆเห็นค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนน ะ, นะค่อยๆเป็นกลางกับสภาวะมากขึ้นนั่นแหล ะ, ะคือสติจริงๆคือความเป็นกลางสติสมาธิสก็คือความเป็นกลางเป็นผู้รู้นะ เป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตนะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงไม่ได้เข้าไปจัดการไม่ได้เข้าไปห้ามนะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่แต่มันเป็นกลางๆในการดูนะอาการต่างๆอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูนะสนุกในการดูนะดูตะเพิ่งตะเือไปนะไม่ว่าจะดีไม่ดีนะล้วนจะเป็นสมมติทั้งนั้นแหละที่เราเรียกว่าดีไม่ดีนะ ชอบไม่ชอบเนี่ยสมมุติทั้งนั้นนะแต่เอาค่อยจริงมันคืออาการอย่างหนึ่งนะอาการที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นนะอเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆนะเนะี่ยเราฝึกไ ป, ไปบ่อยๆนะนะสติมันจะเคยชินในการที่รู้กายของเขาเองการที่เราฝึกเคลื่อนไหวไปบ่อยแล้วรู้สึกตัวอนะไเนี่ย ต่อไปการเคลื่อนไหวทุกครั้งก็จะเกิดสติขึ้นมาต่อไปใจมันไหวออกไปนะก็จะเกิดสติรู้เท่าทันของมันเองนะไม่ใช่ตั้งใจจะคิดเออไม่ใช่ตั้งใจจะรู้นะแต่มันก็รู้ของมันเองได้เนะี่ยนี่คือเราฝึกเรื่อยๆนะมันจะเป็นความชํนานาญมันจะเป็นนิสัยใหม่ของจิตใจนะนิสัยที่ มีสติคอยคุ้มครองใจนะเมื่อสติคุ้มครองใจนะสติก็คุ้มครองกายไปด้วยนะะพอใจเป็นปกตินะร่างกายเขาก็ผ่อนคลายนะ่ะร่างกายก็ไม่ตึงไม่เครียดนะ่ะหรือพอมันตึงเครียดเราก็รู้ทันแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันสบายขึ้นอนะไรแบบนี้เนี่ยพการที่มีสติคุ้มครอง จิตใจนะมันก็ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองกายส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างของเรานะใจก็เย็นขึ้นนะคนอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกสบายนะเย็นใจขึ้นนะวาจาคำพูดที่เคยนะพูดแบบไม่ทันคิดนะพูดแบบไม่ทันระวังว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเราก็มีสติมากขึ้นนะ ไม่พูดอย่างที่เคยอย่างที่เคยพูดออกไปอนะไรแนี้ไม่พูดอย่างที่ไม่ทันคิดเนะี่ยก็มีสติมากขึ้นการกระทําต่างๆนะมันก็เรียบร้อยไปอืทําแบบนี้มาเสียงดังนะก็ระวังเนะ่ยมันจะไปขวนคนอื่นทําแบบนี้อมันส่งผลต่อเพื่อนนะให้มีสมาธิมีสติดีขึ้นอะไรนะแต่บางทีเราก็ไม่ใช่ว่า เราจะไปตาหนิคนอื่นที่เขาทําแบบขาดสตินะเออเราก็จะเข้าใจเออไม่เป็นไรเราก็จะกลับมาดูใจของเรานะเหมือนสะท้อนนะเ่ยเห็นคนอื่นเขาทาอะไรเกิดอาการใะไรขึ้นในใจเนี่ยมันเหมือนสะท้อนกลับมาดูตัวเราเองแต่ก่อนเราไปดูคนอื่นคนนั้นดีคนนีน้นไม่ดีคนนั้นถูกคนนั้นผิดนะ ต่อไปเราจะกลับมาเห็นความรู้สึกของเราเองว่ารู้สึกอย่างไรนะมันรู้สึกอย่างไรเราก็เห็นนะแต่ก่อนไปมองนอกตัวพอมีสติมันจะย้อนกลับมามองดูที่ตัวพอมองมองย้อนกลมาดูที่ตัวเราก็จะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นคนอื่นเราก็รู้นะมันถูกผลผิดเราก็รู้นะักแต่เพียงว่ารู้แบบไม่ไปยึดนะไม่ปไมปยึดนะ ไม่ไปโกรธไม่ไปทุกข์เขาหรือบางทีไปยึดไปโกรธไปทุกข์แล้วก็รู้ทันมันก็จะปล่อยนะคือแล้วแต่สภาวะบางทีมันก็รู้สฉยเฉยมันก็จบแต่บางทีมันรู้แล้วมันไม่เฉยมันไปโกรธมันไปชอบไปชังมันไปสุดไปทุกข์แล้วก็มีสติรู้ทันมันอีกทีหนึ่งพอรู้ทันมาแล้วมันก็เออมันก็จบไป หรือรู้รับมันไม่จบมันไปปรุงต่อแล้วก็รู้ทันมนต่อน ะ, อะคือสะดวกง่ายๆก็คือว่าอาการของที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนะี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเราค่อยไปรู้อย่าไปดับรู้ก่อนนะที่จริงรู้พร้อมกันมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวอาการที่เกิดขึ้นในจิตหรือตัวสติเองมันก็คือจิตเหมือนกันจิตมันเกิดสองดวงพร้อมกันไม่ได้ แต่มันเกิดขึ้นแบบถีได้นะทีเร็วมากจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนพร้อมกันแต่จริงมันเช่นมันหลงมาก่อนแล้วเราค่อยรู้แบบเนี้ยเนี่ยมันคิดก่อนแล้วเราค่อยรู้เนะี่ยมันจะถีเร็วๆแบบนั้นแต่ส่วนการดูกายเนี่ยดูดูตรงที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีถ้าเราไปกําหนด่มันคือไม่ใช่รู้ที่ปัจจุบันมันคือการไปพูดนไปเรียกที่ัง รู้ที่ปัจจุบันแล้วก็จบลงนะเช่นเราพลิกมือเนะี่ยมันก็รู้ละพอพลิกมือเสร็จมันหยุดเราก็รู้สึกในขณะที่หยุดใช่มนะหรืรู้สึกถึงการกระทบของมันอยู่เนะี่ยนี่คือปัจจุบันเนะี่ะไม่ใช่เมื่อกี้พลิกมือเนะี่ยยกมันก็รู้สึกละนะพอยกเสร็จมันก็รู้สึกที่กายหยุดนะเห็นร่างกายรวมในะขณะที่เคลื่อนไหวนะนี่คือรู้ลงที่ปัจจุบันเนยะ การรู้จิตก็เรียกว่ารู้ที่ปัจจุบันก็ได้นะคือมันเผลอไปเมื่อกี้เนะี่ยเขามีสติรู้นะีก็คือเรียกว่าเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันนะอดีตอนาคตมันจะไม่มีค่านะแต่ก่อนนะ่ยอดีตอนาคตมีค่ามากเนะี่ยในชีวิตนะอดีตก็กลายเป็นปมกลายเป็นความเสียใจเป็นความดีใจนะีอนาคตก็กลายเป็นความวิตกกังวลหรือกลายเป็นจินตนาการฝันเพื่อน สุขสนุกสนานไปเนี่ยมันก็มันก็จะจืดตรงนะอารมณ์อดีตอารมณอ น, นาคตนี่นมันจืดลงไปมันเหนือแต่อยู่แต่ปัจจุบันทีละขณะทีละขณะแต่มีเป้าหมายในชีวิตนะไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยแบบไม่มีเป้าหมายถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีเป้าหมายในชีวิตเนะี่ยเป้าหมายในทางโลกก็อันหนึ่งนะเนะ เป้าหมายในทางธรรมเนี่ยก็อันหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป้าหมายในทางโลกกับทางธรรมจะขัดแย้งกันนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะคือเราจะมีเป้าหมายในทางธรรมเนี่ยเป็นหลักประจำใจทําอย่างไรเนาะการทําที่สุดแห่คงความทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏดแชดแกเราได้เนี่ยทาอย่างไรเราถึงจะมีสติปัญญามากขึ้นอะเนี่ย นี่คือเป้าหมายในทางธรรมเราจะมีแบบ น, นี้ไว้ในใจแต่ทางโลกเราก็อาจจะมีเป้าหมายนะออทํางานหาเงินหาทองนะดูแลพ่อแม่นะทำประโยชน์ต่อสังคมเราก็มีเป้าหมายแต่ไม่ใช่ว่าขัดแย้งกันนะขัดแย้งเช่นฉันอยากจะดูวยนะแต่ฉันจะโกงก็ไม่เป็นไรดักนะแต่ตอนนั้นต้องมาปฏิบัติธรรมเอาอย่างนะี้มาทำมูลทางทางเรา มันขัดแย้งกันมันไม่ใช่จริงๆนะ อ, อถ้าทางโลกไปฆ่าตัดไปเบียดเบียนคนอื่นนะแล้วก็เออไม่เป็นไรหรอกเออนะี่ยก็ไม่ใช่เป้าหมายในหน้าที่การงานทางโลกแล้วก็ทํานะแต่แล้วก็ทําแบบไม่ปิดติ่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะอันนี้คือมันก็จะไม่ขัดแย้งกันนะหรือการใช้ชีวิตเนะี่ยทั่วๆไปเราก็จะมีธรรมะคอย เป็นตัวกำกับเป็นตัวคอยดูแลนะทางด้านกายทางจิตใจนะดูแลทั้งตัวเราเองด้วยดูแลคนรอบข้างเราด้วยนะล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างนะเผื่อแผ่ไปถึงสังคมตนไม้ใบหญ้าตัวนี้นได้นะก็ดูแลรักษาเข้ไปด้วยนะสัตว์สัตว์ ส, าาสิ่งต่งางๆเราก็ดูแลรักษาเข้าไปนะ อะไรไม่ดีไม่งามสะระโบกเราก็ทําความสะอาดแล้วก็เช็ดถูนะอะไรเขาเ ด, ดือดร้อนเราก็แก้ไขช่วยเขาแบบเนี้ยมันดูแลทั้งตัวเราเองดูแลทั้งคนอื่นดูแลทั้งสัตว์สัตว์ทั้งหลายดูแลทั้งสิ่งของทั้งหลายด้วยนะมมันเผื่อแผ่ออกไปแบบนั้นเลยนะแต่ก็เป็นการดูแลอย่างมีสตินะอนะบางคนไปดูแลแต่ข้างนอกไม่ดูแลใจตัวเองนะ พอไปคิดแต่ตรงสารเขาก็เป็นทุกข์กับเขาเนะีนะ่ยเนี่ยหรือไปทําอะไรก็ทําแบบขาดสติอยนีน้มันก็ไม่ไปสมบูรณ์นะมันต้องทําข้างนอกข้างในนะสมบูรณ์่อการด้กันะก น, นะก็ให้เราค่อยค่อยฝึกไปนะทำให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะแต่ให้ทําด้วยความผ่อนคล า, ายทําด้วยความสบายสบายอย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังจนไป ไปากไวแค่ไนสาม<า>